ต่ อ, อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องอธิษฐานพรานกิเลสโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2548ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นามบัตรนี้ค่ะ วันนี้ไม่ได้เอาหนังสือมาเพราะวันนี้คิดว่าจะพูดเรื่องอธิษฐานอธิษฐานให้ฟังเมื่อวานรู้สึกว่าพูดให้พวกอะไรอะโบสถ์ศีลฟังไปคร่าว วิ่ดีช่วงเนี้ยนะโดยเฉพาะปีนี้เราก็รู้แล้วว่าทางรัฐบาลเองนะหรือว่าทางท่านนายกก็ให้ความสาคัญนะนะเรื่องของวิสาขบูชาปีเนี้ยคือจะพยายามทำให้เป็นสากลคำว่าสากลหมายถึงว่าให้ทั่วประเทศหรือว่าให้ ทั่วโลกน่าเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามจะทาให้มันยิ่งใหญ่อะแต่มันก็ใหญ่ได้เท่าที่มันใหญ่ะนะแต่อันนั้นก็เป็นรูปแบบก็เห็นอยู่นะจริงๆก็ยังดูแล้วก็ไม่เห็นต่างจากปี <c oughs> ก่อนๆที่ผ่านมาเลยประกวดอะไรบางทีที่สนามหลวงมีประกวดโต๊ะบูชามีอะไรกันอ่า ก็มีจัดอะไรเต็นอะไรอะไรเยอะแยะแหละแต่อันนั้นก็เป็นไปโดยทั่วๆไปธรรมดานะซึ่งจริงๆมันก็เอาละถ้าจะถือว่าเป็นการบูชาเนะี่ยจริงๆ จ, จะต้องแยกเป็นอามิสบูชากับปฏิบัติบูบชานะสองอย่าง จริงๆถ้าเรายังต้องบูชาด้วยวัตถุเนี่ยจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนอะไรกข้าวของหรืออะไรต่างๆนั่นแหละคือบูชาด้วยวัตถุเนี่ยเราก็ยังถือว่าเป็นอามิสบูชาซึ่งจริงๆผู้จเจ้าท่านเคยเอาพระสูตรเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมผู้เจ้าท่านตรัสเลยว่าอะไรอะสาวกของเราอะคนของเราเนี่ย ให้ปฏิบัติบูธาบูชาเถอะอย่าไปเป็นอามิสบูชาเลยยิงทั้นกระตัดอย่างนั้นด้วยซ้ำไปเอาละทั่วไปเขาเขาได้แค่นั้นก็แค่นั้นนะแต่ว่าในพวกเราเองเนี่ยธรรมาคิดว่าน่าจะปฏิบัติบูชาที่ที่เข้าถึงเนื้อหรือว่าเข้าถึงแกนเนี่ยให้มากขึ้นไม่ใช่แค่เปลือกจริงๆอามิสบูชาเนี่ยจริงๆก็เปรียบแล้วก็เหมือนแค่เปลือกเท่านั้นเอง ขนาดพระเจ้าท่านจะปรินิพานเนี่ยท่านก็บอกไว้ก่อนเลย <c oughs> บอกว่าถ้าเราอะไรอ่ะปรินิพานไปแล้วหมายถึงพระเจ้าท่านตรัสน่ะนะก็ถ้าจะทําการบูชาเราก็ให้ปฏิบัติบูบชาเถิดไม่ต้องไปอาบิสบูชาหรอกแต่ถึงท่านจะตรัสไว้ยังไงก็ตามคนติดอ่ะคนมันติดวัตถุติดอาบิสบูชามานาน นานก่อนอะไรอะ่ะก่อนจะมีพุทธศาสนาอีกอะ่ะอืมเพราะนั้นความติดยึดหรือว่าความหลงอันเนี้ยของคนเนี่ยทำให้ยังไงยังไงเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมันไม่มากพอที่จะคลายไอ้ความติดหลงพวกนี้ได้เพราะในที่สุดส่วนใหญ่ก็ยังคงจะเป็นอาบิสบูชาส่วนใหญ่ก็หนีไมพ่พ้นดอกไม้ทูปเทียนของหอมอะไรต่างๆพวกเนี้ย ก็จะมาใช้บูชาต่อให้ผู้เจ้าท่านจะตัดห้ามยังไงก็ตามนะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เราก็รู้แล้วกันว่าเออคนเราเนี่ยมันมันติดพวกนี้มานานถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิที่ที่ทททเหนียวแน่นพอที่ลึกล้ำพออะไรพวกนี้ก็จะไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดจากอามิตรได้ส่วนใหญ่นะก็ยังคงจะเป็นอามิตรอยู่อย่างนั้นแหละ ยังไม่ถึงขั้นปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเขาก็เน้นแล้วเขาก็มีใช้คำพูดว่าอะไรนะว่าอยากที่จะให้ปฏิบัติบูชาในลักษณะที่เป็นอธิษฐานเป็นสัจจะนะบวกกับอธิษฐานอืมอะไรนะ1สัจจะใช่หมห น, หนึ่งคนหนึ่งอะไรนะหนึ่งคนหนึ่งสัจจะอ่า แล้วก็อะไรนะทำดีไม่มีเดี๋ยวใช่ไหมเอาอทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว อ, อ, อันนี้เขาก็คิดดีนะคาคาความเนี้ยจริงๆก็ทำดีก็ไม่ต้องเดี่ยวอะออทำได้ทันทีเลยโดยเฉพาะอะไรก่อนเลยทำที่อะไรก่อนเลยที่ไม่ต้องเดี่ยวเลยเออที่ตัวเองอะสิที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรได้ก่อนเลยที่ไม่ต้องเดี๋ยวเลย เออทาใจไ <laughs> งทําใจให้ดีเนี่ยหรือทําดีให้ใจก็ตามทําได้ทันทีเลยไม่ต้องเดี๋ยวเลยอ่ะถ้าเป็นวจีกรรมหรือว่าเป็นกายกรรมยังอาจจะต้องเดี๋ยวใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเป็นมโนกรรมนี่ได้ทันทีนี่ไม่ต้องเดี๋ยวเลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเข้าใจตรงนี้ว่าโดยเฉพาะกรณีนน <c oughs> เรื่องของอธิษฐานอาธิษฐานเนี่ยวันนั้นก็พูดให้พวกกุโบสดสินฟังไปคร่าวๆอธิษฐานเนี่ยจริงๆแปลว่าเป็นการตั้งจิตหรือว่าเป็นการกำหนดใจเราตั้งใจยังไงตั้งใจดีแน่นอนแหละแต่ตั้งใจดีเนี่ยไม่ใช่ดีแบบธรรมดาไม่ใช่ดีแบบเหมือนปกติบางทีเราตั้งใจจะไปวัด ตั้งใจจะไม่กินขนมตั้งใจจะทำความดีตั้งใจจะาบริจาคทำบุญทำทานคือถ้าตั้งใจธรรมดา ท, ทั่วไปเนี่ย ก, ก, ก็คือตั้งใจธรรมดาแต่ถ้าถึงขั้นอธิษฐานนี่มันมันมันจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกคือตั้งใจนะใช่แล้วแต่ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่อย่างพูดง่ายๆแบบตั้งมัน่นแบบ เอาจิงแบบเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นการตั้งใจแบบอธิษฐานเนี่ยตั้งไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทําได้ทุกครั้งบางครั้งก็อาจจะทําได้บ้างหรือว่าทําไม่ได้บ้างแต่เมื่อเป็นอธิษฐานแล้วเนี่ย ถ, ถ้าไม่ได้นะเกิดล้มเหลวไปอย่างนี้ก็จะพยายามภาคเพียน ค, คือมุ่งมั่นที่จะต้องให้สาเร็จให้ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นี่เนี่ยคือความต่างจากตั้งใจธรรมดาถ้าตั้งใจธรรมดาบางทีเนี่ยโอ้โหลมเพลลมพัดไปไหนเลยก็ไม่รู้แป๊บเดียวเองบางทีเนี่ยเปลี่ยนใจแบบง่ายดายมากบางทีบางคนเนี่ยตั้งใ จ, จสมมุตินะเออเดี๋ยวจะไปฟังธรรมเดินมาได้ครึ่งทางเนี่ยเจอคนทักหน่อยเดียวไปกับเขาแล้ว คือคือมันเปลี่ยนง่ายไอ้ น, นีอย่างเงี้ยอาจาร์ต้องบอกอย่างนี้มันตั้งใจแบบธรรมดาคือสติเนี่ยจะไม่แรงพอสติจะไม่มากพอเพราะฉนั้นถ้าเป็นการตั้งใจหรือว่าตั้งจิตแบบอธิษฐานนี่ต้องแรงให้มากพอนะต้องบอกแล้วต้องมุ่งม้น่นต้องเอาจิงให้หนักแน่นพอถึงจะเรียกว่าอธิษฐานแล้วก็ไม่ไม่เอาอธิษฐานแบบทั่วๆไปด้วยนะ ซึ่งจริงๆทั่วๆไปอธิษฐานก็ส่วนใหญ่ก็คือคือขอขอจริงๆ <c oughs> เคยเล่าให้พวกเราฟังอ่ะอันนี้ข่าวเขาออกมาเลยนานแล้วนะข่าวเขาออกมาดาราจากฮ่องกงประเทศฮ่องกงก็เป็นดารานักแสดงปรากฏว่าแต่งงานไปแล้วก็ไม่มีลูกตั้งหลายปีแล้วก็ไม่มีลูกแล้วก็ได้ข่าวว่าอ ะ, อะไรนะ ศาลเอราวัณ่ะที่พระพรมที่เอราวัณอะ่ะโรงแรมเอราวัณศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขออะไรแล้วก็ก็จะได้สำเร็จอย่างนั้นก็เลยเดินทางอุตส่าห์เดินทางจากฮ่องกงมาเมืองไทยแล้วก็นั่นแหละมาบนบานศาลเก่าขอที่เอราวัณ <c oughs> โอ้โหศิลปะกฏว่ากลับไปเสร็จ ไม่นานก็โอตั้งท้องจริงๆเลยดังยิ่งดังไปใหญ่เลยเที่โรงแรมเอราวัณเลยยิ่งดังกันไปใหญ่คนก็เลยยิ่งแม้มาอธิษฐานมาขอกันใหญ่ซึ่งอย่างนั้นนะ่ยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เป็นการอธิษฐานอย่างของพุทธเลยเแล้วยิ่งขอเนี่ยอธิษฐานเนี่ยขอเนี่ยต้องขอไปในทางที่ หมายถึงว่าเป็นการลดละกิเลสหมายถึงว่าเป็นการสร้างสรรในทางที่ดีนะถ้าขออะไรที่มันเป็นไปในทางที่เป็นกิเลสเนี่ยจะเป็นลาคะจะเป็นโทสะจะเป็นโมหะอัตตามาณอะไรก็ตามคือถ้าไปขอในลักษณะที่เป็นกิเลสเนี่ยไม่เรียกว่าอธิษฐานด้วยต่อให้ไปขอที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็สำเร็จได้ผลนะ ก็ไม่เรียกว่าอธิษฐานว่าอธิษฐานนี่มุมเดียวเลยว่าต้องมุ่งมาในทิศทางที่ดีในทิศทางที่ลดกิเลสเท่านั้นถึงจะเรียกว่าอธิษฐานเพียงแต่คราวนี้อธิษฐานเนี่ยรเจ้าท่านก็แบ่งออกเป็นสี่ลักษณะโดยสภาวะท่านแบ่งออกเป็นสี่ลักษณะวันอย่างแรกเลยเนี่ยท่านถึงเริ่มด้วยปัญญาธิฐาน นะปัญญาทิ่ฐานเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นการที่จะตั้งจิตตั้งใจอะไรที่เราจะทําดีขึ้นมาต้องตั้งโดยที่ต้องมีปัญญาประกอบด้วยคำว่ามีปัญญาหมายถึงว่าจะต้องพิจารณานะพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมกับเราไหมมันเกินไปหรือเปล่าอะไรพวกเนี้นะหรือตั้งไปเนี่ยมันดีหรือว่าไม่ดีไม่ใช่อะไรอะ่ะเดี๋ยววันนี้จะ ตั้งจิตนะขอให้ได้กินอะไรอร่อยอร่อยที่เราชอบนะหน้านี้ไม่รู้หน้าอะไรละมะม่วงเหรอเห็นมะม่วงเยอะหรือว่าเงาะแล้วมังคุดนะนก็อาจจะตั้งจิตอย่างเงี้ยนะโอวันเนี้นะอนนนะขอให้ได้กินได้ น, นั่นขอให้ได้กินได้นี่ไอ้อย่างเงี้ยขออย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่เรียกว่าอธิษฐานนะนะ ไปขอที่จะไปให้ได้กินอะไรสมใจสมกิเลสเราไม่ได้ไม่ใช่อธิษฐานแต่อาจจะเป็นการตั้งใจทําอะไรก็ตั้งไปเถอะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของอธิษฐานเพราะฉะนั้นคราวนี้อธิษฐานเนี่ยโดยใช้ปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี่พระเจ้าต้องเอาปัญญาขึ้นก่อนเลยเพราะปัญญาเป็นตัวที่จะมาแยกแยะมาชี้แจงรายละเอียด เพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าตั้งไว้ผิดแล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าท่านเคยใช้สำนวน ว, นว่าถ้าตั้งจิตไว้ผิดแนละ้วตั้งแต่ตนเนี่ยใช่ไหมอะอะไรน ะ, ะทุกขติเป็นหวังได้นะถ้าสำนวนพ่อท่านก็ถ้าตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยเนี่ยจะมีความขยนันจะมีความเพียรจะมีวิริยะอะไรยังไงก็ตามไป โอ้โหตั้งิจไว้ผิดก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นเองคือถ้ามันผิดแล้วเนี่ยผลที่ออกมามันก็จะเป็นต่อให้คุณทำสำเร็จด้วยนะมันก็เรียกได้เลยว่าเป็นวิจฉามิมุต <c oughs> คือหมายถึงว่าทำสำเร็จออกมาแต่สำเร็จนั่นก็เป็นมิจฉาหรือก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าบกพร่องเหมือนกับพวกฤษีเงี้ยพวกพวกสมัยโบราณ เขาก็โอ้โหตั้งจิตนะเขาตั้งใจว่าจะทำให้พ้นทุกอย่างเงี้ยแต่เขาไปบำเพ็ญทรมานตัวเองใช่มอะไรบ้างอะ่ะทรมานเนี่ยไม่กินข้าวกินน้ำมัง่งหรือว่ายืนขาเดียวมัง่งแล้วก็คลานกินอาหารอย่างสุนักบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยแต่วิธีการอะไรพวกนี้มันผิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะ ความเข้าใจเนี่ยมันมิจฉาทิฏฐิมันผิดมาตั้งแต่ต้นมันพอไปตั้งกิตไว้ผิดอย่างนี้แล้วต่อให้ทําทําทําพยายามทํำยังไงก็ตามทําออกมาผลมันก็จะเหมือนกับพ่อกับแม่เป็นไงละผิดพลาดแล้วนะสมมตว่ามีเชื้อมีเชื้อโรคพ่อแม่ออกลูกมาลูกก็ ติเชื้อโลกไปด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะผลมันก็จะออกมาเป็นผลไม่ดีไปด้วยเพราะาอันนี้พรูเจ้าถึงได้ต้องเอาปัญญาเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยถึงบอกว่าจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ต้องตั้งจิตไว้ให้ถูกก็ได้เพราะฉะอย่างแรกที่จะตั้งวันนั้นก็พูดให้ฟังอะ่ะมีตัวอย่างมาแล้วนะเนี่ยคนมาปฏิบัติธรรม เสร็จแล้วเขาติดขนมไงเขาก็เลยตั้งจิตไว้ว่าเนี่ยเขาจะเลิกขนมให้ได้แหละนะแต่วิธีการเลิกขนมของเขานะดูนะดูเขาตั้งไว้ยังไงวิธีการเลิกขนมของเขาก็คือเขาจะกินขนมให้เข็จเลย <c oughs> คือกินให้มันอ้วกเลยอ่ะกินให้เข็จกินให้มันค ล, าคลา้ายๆแบบว่าอะไรนะเขาว่าให้มันมันจะเรียกว่ายางไงอ่ะให้มันเบือ่อเออให้มันให้มัน เอียนเออให้มันจนไม่อยากกินน่ะแล้วก็จะได้จะได้เลิกกินไงให้ความคิดอย่างเงี้ยมันมันมิจฉาทิถีมันเกดต้นแล้วมันคิดผิดเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีเบื่อหรอกต่อให้ราวนั้นนะนะกินกินกินกินกินจนกระทั่งโอ้โหมันถึงคอจนกระทั่งมันอ้วกออกมาเลยก็ตามแต่มันไม่ได้ลดกิเลสจริงๆอ่ะยิ่งกินมากเท่าไหร่เนี่ย กินจนทั้งสะใจสมใจแล้วมันได้สมใจไปแล้วมันได้สะใจไปแล้วต่อให้มาอ้วกอีกทีหนึ่งนะภายหลังเนี่ยแต่อ้วกเนี่ยมันภายหลังแล้วแต่ไอความสะใจที่กินลงไปได้ได้สมใจได้สมอยากของตัวเองเนี่ยกิเลสพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปเต็มแล้วมันอัดเข้าไปเต็มจิตละจิตใจเพราะนั้นเนะ่ะเดี๋ยวพออ้วกไปนะ สักพักหนึ่งอนะเนี่เดี๋ยวพอพอหายอะไรนะหายอาการแล้วอะ่ะบางทีเนี่ยเพล่เพลเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมั่งเอาแล้วเห็นอีกอะไอ้ความอยากมันบอกแนละ้วมันจะมีอยู่เต็มเลยความอยากกินความชอบกินเนี่ยว่าเดี๋ยวพอมาเห็นอีกยิ่งของเจอของที่ชอบชอบอดไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็กินอีกแล้วส่วนใหญ่อะไม่ต้องไปตั้งเลยมันอยากกินเยอะๆอยู่แล้ว เจอของชอบก็เอามาเยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมกินไม่ยั้งอยู่แล้วอ่ะบางทีเนี่ยไม่ยอยากจะอ้วกเลยนะแต่พอมันอยากกินกินกินกินกินกินจนกระทั่งร่างกายมันรับไม่ไหวต่างหากละ่ะจนกระทั่งมันอ้วกออกมาแต่ถามว่าใจจริงๆอยากจะอ้วกไหมใจไม่ได้อยากอ้วกใจยังอยากจะกินอยู่อีกด้วยซ้ำไปบางทีเนี่ยอ้วกแล้วก็โอ้โหอ่อนอ่อนเพรียไปเลยนะ แต่บางทีใจเนี่ยกินได้ยังจะกินอีกเลยเพราะฉะนั้นกินเลทเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามเอสรีละร่างกายนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าตั้งจิตว้อย่างนี้ตั้งจิตไว้ผิดเลยพรเจ้าท่านถึงบอกเลยเรื่องกามเรื่องกินเรื่องนอนสามอย่างนี้ไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีคำว่าพอต่อให้อ้วกก็ไม่พอ เพราะอยนั้นจําไปเลยสามอย่างนี้น ไ, นไม่มีวันพอขนาดพวกที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาพวกเราก็ได้มาลดละกิเลสมาพยามาภาภเพียมาตั้งตบาบะมาถือศีลมาปฏิบัติมาลดนี่ขนาดเอาออกนะพยายามลดลดล ด, ลดเพื่อที่จะได้ลดความอยากที่จะกินอยากที่จะได้ไอ้สิ่งพวกนี้มาแต่ขนาดลดลดลดลดทั้งภายนอกลดทั้งจิตใจด้วย ขนาดอย่างนั้นคุณคิดดูสิมันยังไม่ยอมลดเลยใช่ั้มมันยังลดแสนจะยากลำบากมากๆและคนที่ไม่คิดจะลดเนี่ยขื้นเติมเข้าไปมากๆมันจะลดได้ยังไงไม่มีทางลดเลยวันถึงบอกว่าเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นสาคัญมากๆถ้าปัญญาเนี่ยไม่มากพอไม่เข้าใจพอตั้งไว้ผิดส่วนใหญ่จะตั้งไว้ผิดเลย ขนาดบางคนนะเดี๋ยวผ่านด่านที่หนึ่งไม่ได้นะต่อให้ตั้งไว้ถูกเดี๋ยวเหเดี๋ยวข้ออื่นๆจะตามมาอีกอันนี้นี่จะผ่านไปแล้วนะเพราะว่าคิดว่าพอเข้าใจนะพอเราใช้ปัญญาพิจารณาในการที่เราจะตั้งอ่านึงเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องลดละกิเลสนะเป็นสิ่งที่เราก็ต้องประมาณ เ, าเป็นสิ่งที่ดูตามการะดูตามสถานที่ดู กำลังความสามารถของตัวเองด้วยพยายามละพิจารณาพวกนี้ไปเสร็จแล้วตั้งขึ้นมาละแต่เมื่อตั้งขึ้นมาดูนะพอข้อที่สองเนี่ยสัจจาทิฐานนี่แหละก็คือสัจจะบวกกับอธิฐานเนี่ยสัจจาทิฐานเนี่ยมันมีสองลักษณะคือลักษณะนึงก็คือว่าเราจะต้องตั้งในสิ่งนั้นอะ่ะตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาอย่างแน่วแน่ แล้วต้องทําให้เป็นจริงให้ได้เนี่ยคือทําให้เป็นสัจจะตามที่เราตั้งนั้นให้ได้นี่ประการที่หนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราตั้งสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องตั้งในสิ่งที่เป็นจริงที่เราทําได้ด้วยฟังดูดีๆนะว่าบางคนนะตั้งแล้วเกินเกินจริงตั้งในสิ่งที่ตัวเองไม่ทําไม่ได้ แต่อยากจะตั้งอ่ะมีตัวอย่างมีมาแล้วบางคนอยากจะตั้งเพราะอะไรเพราะเห็นคนอื่นเขาตั้งก็อยากจะตั้งมั่งอันนี้เขาเรียกว่าตั้งตามแฟชั่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเข้ากับหมู่กลุ่มไม่ได้พรันเขาตั้งกันเราก็ต้องตั้งซึ่งจริงๆก็ดีนะอันนี้ก็ดีแต่เวลาตั้งเนี่ยต้องตั้งตาม อย่างที่บอกแล้วข้อที่หนึ่งต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งตามความจริงของตัวเองไม่ใช่คนอื่นเขาตั้งอย่างนั้นเราก็ตั้งบงังอย่างเช่นคนอื่นเนี่ยสมมุติว่าเขาติดเรื่องความโกรธเขาก็ไปตั้งอธิษฐานในการที่จะไม่โกรธนะแล้ววิธีการไม่โกรธเขาก็หาวิธีการมาตั้งของเขานะวิธีไม่โกรธเสร็จแล้ว เราจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ขี้โกรธอะไรมากอจริงๆแล้วเนี่ยเราติดขี้โลภมากไว้นะเออแต่ปรากฏว่าเห็นเ้าตั้งเรื่องนั้นกันเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อขอด้วยขอด้วยขอขอร่วมด้วยคนโดยที่บางทีเนี่ยมันไม่ตรงกับอกิเลส ท, ที่เราควรจะตั้งเพ ะ, ะนันตั้งอย่างเนี้ยมันไม่มันไม่ตรงจริงกับของตัวเองตั้งไปแล้วมันจะไม่ค่อยได้ผล เอ่อเรียกอะไรอ่ะเรียกว่าไม่ได้ประสิทธิภาพหรือว่าไม่ค่อยได้คุณภาพที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นได้มากเพราะว่ามันตั้งมันไม่ตรงกับกิเลสยิ่งบางคนเนี่ยจะมาบอกเลยตั้งในสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วด้วยซ้ำแบบปกติก็ทำอยู่แล้วก็เป็นความจริงของตัวเองนะคือคือจริงๆตัวเองก็ทำทำอยู่แล้ว แต่มันทําได้เป็นปกติอยู่แล้วไม่ต้องตั้งมันก็ทําอยู่แล้ว <c oughs> แล้วจะไปตั้งทําไมอะอย่างเนี้ยคือมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงที่เราจะได้ดีขึ้นไปกว่า น, นี้แล้วใช่ไมว่ามันตั้งทําไมอะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเลิกเนื้อสัตว์ได้แล้วเอากินบางไส้วิลาสแล้วทุกวันนีก้ก็กินเป็นปกติกินเป็นธรรมดา <c oughs> ก็คุณจะไปตั้งทําไมคุณกินได้อยู่เป็นปกติแล้วอะเรื่องอื่นสิที่ยังทําไม่ได้อะมาตั้งสิ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าถึงสัจจะเนี่ยเข้าถึงความเป็นจริงนะได้มากขึ้นกว่าเดิมนะมีบางคนอาตมาถึงบอกก็ ต, ตั้งตั้งไปอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับสักแต่ว่าตั้งเพราะนั้นอย่างนี้จะไม่ค่อยได้เข้าถึงสัจจะได้ดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นคนที่ไม่จริงไม่จริงจังด้วย เพราะว่าตั้งอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนลอยลอยมันไม่จริงจังมันไม่หนักแน่นนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีอันเนี้ยคืออธิษฐานบารมีเร่าให้ฟังหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะให้เห็นว่าโอ้อธิษฐานไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วตั้งแล้วก็ต้องสู้จริงจริงเลยเพื่อที่ให้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นบารมี ่าอธิษฐานนี่เป็นบารมีอย่างหนึง่งของพระพุทธเจ้านี่อดีตชาติท่านเป็นพระเตมีไบ่พอจะรู้เรื่องอยู่บ้างใช่ไหมพระเตมีไบ้คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์นะตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยตอนเล็กๆพระราชบิดาเนี่ยก็พาเรียกว่าอะไรพาไปท้องพระโลงอะ่ะ เวลาตัดสินพิจารณาความคดีอะไรก็ก็พาไปร่วมด้วยไงเพราะนั้นพอไปเสร็จแล้วปรากฏว่าไปเห็นไปเห็นพระราชบิดาเนี่ยเวลาตัดสินคดีคนแล้วบางทีก็ต้องลงโทษนะสั่งให้เขาโบยสั่งให้เขาตีนักโทษอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะไม่สารภาพหรืออะไรต่ออะไรโอ้โหโดนทรมานทรมกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเห็นแล้วก็เลยโอ้โห นะพร ะ, พระเตมีเนี่ยเห็นแล้วก็เลยโอ้โหสลดสังเวชใจเสร็จแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าอีกหน่อยเนี่ยคือมาคิดเอาเองว่าอีกหน่อยแน่นอนสีเป็นลูกกษัตริย์อีกหน่อยก็จะต้องได้รับบาลังแทนพระราชบิดาแน่นอนว่าโอ้โหเราจะต้องมาตัดสินลงโทษคนให้ได้ต้องทุกข์ทรมานนะ ทำ้ายเขามั่งหมายถึงว่าสั่งคนไปโบยตีเขามั่งหรือบางทีไปประหารชีวิตเขามั่งอย่างเงี้ยบอกโอ้โ oh, หถ้าอย่างงี้ก็กลัวกลัวเรื่องบิบากกรรมกลัวเรื่องอะจะต้องไปอะไรอ่ะตกนรกอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่ท่านกลัวอันนี้เพราะว่าพอดีท่านะระลึกชาติได้แม้เป็นเด็กนี่นะปรากฏว่าะระลึกชาติได้ะระลึกไปถึง อดีตชาติของตัวเองย้อนย้อนย้อนไปอีกปรากฏว่าระลึกได้ว่าเนี่ยเคยไปเป็นลักษณะนี้แหละคือไปพิจารณาไปตัดสินไปทำโทษไปอะไรใครต่อใครเขาแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องมาตกอยู่ในนรกนะต้องได้รับการเบียดเบียนอะไรต่างๆจนโอ้โหกี่พันกี่หมื่นชาติไม่รู้นะว่าเลยบอกโอ้โหเลยกลัวเลยเลยไม่อยากที่จะต้อง มาสั่งทำร้ายอะไรใครอีกก็เลยเพาะคิดอย่างนี้แหละก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่พูดเนี่ยแหละจะไม่พูดจะทำเป็นใบ้จะทำเป็นหูหนวกแล้วก็ทำเป็นง่อยเปีย้ยเดินไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ คนอื่นจะต้องมาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรให้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วก็ตั้งจิตอย่างนั้นมาเลยเสร็จแล้วพอตั้งจิตอย่างนั้นแล้วก็ต้องก็ต้องทำอย่างนั้นเลยเนี่ยพอตั้งแล้วเห็นไหมึงบอกว่าตั้งแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมเป็นกษัตริย์ต่อไปแล้วพอคิดวิธีนี้ใช่ไหมก็เลยทำอย่างนี้เพื่อที่จะแบบว่าเพราะบอกว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็คิดเอาเองนะแม้เป็นเด็กนะแต่ท่านคิดเองว่า ถ้าทำอย่างนี้แล้วคนอื่นก็จะเห็นว่าเหมือนกับเป็นคนพิการเหมือนกับเป็นคนบ้าใบ้เป็นคนโง่เขาอะไรพวกนี้เขาก็จะได้ไม่ไม่ให้ไปเป็นกษัตริย์ก็คิดแบบภาษาเด็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหพอคิดแล้วนี่ก็ทำอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วปรากฏว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยจนตลอดสิบห้าปีเลยนะจนโตเป็น ผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยตลอด15ปีเนี่ยทำอย่างนั้นตลอดเพราะอธิษฐานจิตไว้แล้วแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วก็เลยทําอย่างนั้นตลอดระยะ15ปีเนี่ยตลอด15ปีนี่โดนพระรา ช, ารราชมารดาพวกสนมพวกอะไรต่างๆที่เลี้ยงดูอะไรพวกนี้นะทดลองตลอดเพราะไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าเอ๊ะก็ออกมาลักษณะ อะไรดีไปหมดทุกอย่างนี่จะมันก็ไม่เปี้ยจะมาอะไรอย่างนี้ได้ยังไงก็จริงๆดีๆมาตลอดใช่ไหมแล้วจะอยู่ ด, ดีมามาบ้าใบมาหูหนวกมาอะไรได้ยังไงอเพราะฉะนั้นไม่มีใครเชื่อเมื่อไม่มีใครเชื่อเนี่ยก็เลยแต่และคนก็เลยมาม า, มาทดสอบทดลองหรือว่ามาแกล้งเพื่อที่จะให้อย่างเช่นเป็นใบใช่ไหมเพราะจะแกล้งให้พูดได้ จับงูมาจับสัตว์มาเอาแก้งมาใส่ให้เพื่อที่จะได้กลัวจะได้ตกใจนันจะได้ร้องออกมาหรือว่ากลัวตกใจจะได้วิ่งหนีอหรือไม่ก็แก้งอะไรอะ่ะจุดไฟอย่างเงี้ยให้ร้อนหรือว่าพระราชมารดาก็แก้งนะไม่ให้ไม่ให้นมกินเลยไม่ให้พี่เลี้ยงเนี่ยเอานมให้กิน ให้อดเลยนะให้อดให้หิวเพื่อที่หิวหิวห ว, วจะได้ร้องกินนมหรือไม่ก็ร้องกินอาหารกินอะไรปรากฏว่าทั้งวันนั้นไม่ได้กินอะไรก็ว่าเตมีก็ไม่ยอมส่งเสียงเลยไม่ยอมร้องเลยเรียกว่าผูดง่ายว่าตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วเพราะนั้นยังไงก็จะไม่ร้องเพราะหนที่สุดเนี่ยคนที่ทดลองนี่พอเห็นแล้วโอ้โห ท่าทางเดี๋ยวจะตายเอาว่าในที่สุดแล้วก็เลยต้องเอานมต้องเอาอาหารอะไรมาให้กิน